การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาศึกษ า, าำำพระพธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มหาศาลยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ทำไมถึงเรียกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากการได้พบกับพระพุทธศาสนาเป็นของยากการได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นของยากการได้ปฏิบัติธรรม ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของยากก็เพราะว่าการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เป็นของยากไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาเกิดกันนี้ใช้เวลาหลายกับหลายกันด้วยกัน ถึงจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาสักองค์หนึ่งคำว่ากลับนี้ท่านให้เราเปรียบเทียบดูว่าถ้าทุกร้อยปีเราเอาผ้ามารูปเขาพระสุเมนรหนึ่งรังทำอย่างนี้ทุกร้อยร้อยปีทำไปจนกว่า ภูเขาพระสุมเมนจะลาบจะศึกลาบหายไปจะศึกหายไปจากการรูปจากการเอาผ้ามารูปเขาพระสุมเมนนั่นแหละคือเวลาหนึ่งกลับด้วยกันนานๆจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาประกาศพระธรรมคำสอนมาตั้งพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสักครั้งหนึ่งถ้าใครได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีโชคมากเพราะไม่ใช่เป็นของที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเหมือนกับที่เราเห็นคนที่เขาถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราจะว่าเขามีโชคมาก เพราะไม่ใช่เป็นของที่จะถูกได้ง่ายแต่การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือพบกับพระพุทธเจ้านี่ยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่หลายล้านเท่าเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยากที่พวกเราได้มาพบกันในภพนี้ชาตินี้ การเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากเพราะกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งนึ่หลังจากที่เราตายจากเป็นมนุษย์ไปแล้วเราต้องไปรับผลบุญผลบาปกันก่อนแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และการเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องรอคิว ไม่เหมือนกับการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาออกลูกกันเป็นผงเป็นครอบแต่มนุษย์นี้ออกลูกทีละคนปีละคนสองคนมนุษย์มีจำนวนน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในโลกนี้หลายล้านเท่าเช่นในป่านี้ มีสัตว์เดรัจฉานมากกว่ามนุษย์มนุษย์ที่อยู่บนเขานี้มีไม่กี่คนแต่สัตว์เดรัจฉานที่อาศัยอยู่บนเขานี้มีเป็นล้าน ม, มีมดมีมแมลงมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆเต็มไปหมดมการจะมาเกิดเป็นมนุษย์จึงไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะมนุษย์ไม่ได้ออกมาการเป็นครอ เป็นผูงออกมาทีละคนสองคนการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากอย่างยิ่งอย่างหนึ่งการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นโชคมันมหาศาลอย่างยิ่งอีกข้อหนึ่งและได้มาพบกับพระพุทธศาสนายิ่งเป็นโชค สองชั้นซ้อนกันถ้าเรามาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์<ม>เช่นมาเกิดเป็นนก<ม>เป็นสัตว์ที่อยู่บนเขานี่เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้ ต้องเกิดจากการที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินี่คือของที่หายากที่เกิดขึ้นได้ยากที่พวกเราได้มาแล้วคือหนึ่งได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และของที่ยากข้อที่สามก็คือการที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษาพระธรรมคำสอนคนที่จะมีโอกาสได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันนี้มีไม่มากก็ดูกันแล้วกันวันนี้มีคนมาฟังเทศฟังธรรมกันกี่คนคนส่วนใหญ่จะถูกกระแสของความหลงความโลภ ความอยากต่างๆชุดลากให้ไปหาสิ่งอื่นๆเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายวันนี้วันหยุดพักผ่อนก็จะไปพักผ่อนด้วยการไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลื่นกายกันเวลาที่จะ มาให้กับการฟังเทศฟังธรรมกับการศึกษาพระธรรมคำสอนจึงไม่มีกันผู้ที่สามารถมาฟังเทศฟังธรรมได้จึงเป็นผู้ที่ได้ทำในสิ่งที่ยากเพราะต้องบังคับจิตใจบังคับให้มาฟังถ้าไม่บาบังคับไม่ตั้งใจมาฟังแล้วจะไม่ได้มาฟังนั่นเอง เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติอันนี้ยิ่งยากกว่าการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมฟังชั่วโมงสองชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วไปได้แล้วแต่การปฏิบัติธรรมนี่ต้องใช้เวลามากใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตเลยก็ได้ ถ้าอยากจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนาเช่จนจะต้องออกบวชหรืออยู่แบบนักบวชถึงจะสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุมรรผลนิพพานขั้นต่างๆได้อันนี้เป็นของยากมากผู้ใดที่สามารถกระทำได้ ผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์อันล้ำค่าจากพระพุทธศาสนานี่คือทำไมจึงเรียกจึงว่าการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการได้มาเกิดเป็นมนุษย์การได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมเป็นของล้ำค่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่า ของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถปลดเปลื้องจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มีแต่พระพุทธศาสนามีแต่การมาเกิดเป็นมนุษย์มีแต่การศึกษาพระธรรมคำสอนมีแต่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี้เท่านั้น ที่จะสามารถทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดของการเกิดแก่เจ็บตายที่พวกเราได้เวียนว่ายตายเกิดกันได้เกิดแก่เจ็บตายกันมาอย่างโชคโชนอย่างนับไม่ถ้วนและจะ เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับของที่หายากสี่ประการนี้ซึ่งในพบนี้ชาตินี้เราก็ได้มาพบแล้วอยู่ที่ว่าเราจะสามารถทำให้เกิดผลขึ้นมาได้หรือไม่เท่านั้นก็อยู่ที่ความศรัทธา อยู่ที่วิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรถ้ามีศรัทธามากก็จะมีความอุตสาหะวิริยะความภาคเพียรมากจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเมื่อมีการทุ่มเทอย่างเต็มที่ผลก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่า ถ้าศึกษาและปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เนี่ยสำหรับบางท่านเจ็ดวันก็สามารถบรรลุถึงมรรคผลใผพานได้บางท่านก็อาจจะช้าหน่อยก็เจ็ดเดือนหรือบางท่านก็อาจจะช้ากว่านั้นก็ไม่เกินเจ็ดปีก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือประโยชน์ที่ไม่มีอะไรไม่มีสิ่งอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถให้ประโยชน์กับเราได้นอกจากการที่เราได้มาพบกับของที่หายากสี่ประการนี้คือการเกิดเป็นมนุษย์การได้มาพบกับพระพุทธศาสนา การได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่หายากสี่ประการนี้จะทำให้เราได้พบกับสิ่งที่หายากก็คือพบกับการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพบกับพระนิพพานพบกับบรมมะสุ ความสุขที่สูงสุดความสูงความสุขสูงสุดยอดความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่ไม่มีทุกข์ตามมานี่แหละคือของที่หายากที่พวกเรากำลังจะได้กันถ้าพวกเรามีศรัทธาอย่างแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อพระอริยสงสาวกคือมีความเชื่อฝังในคําสอนในวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกแล้วเอาท่านมาเป็นตัวอย่างเอาตัวอย่างท่านทําอย่างไรท่านสอนอย่างไร เราก็ทำอย่างนั้นนี่คือศรัทธาเราต้องมีความเชื่อว่าการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกุกเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกับพระอริยสงสาวุกทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติของท่าน อาไม่ท่านได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพวกเราอยากจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องปฏิบัติแบบท่านปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้ปฏิบัตินท่านสอนให้ทําทานท่านก็ปฏิบัติทานท่านก็สละมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไร ท่านก็ยกให้คนอื่นไปหมดไม่ต้องการเงินทองต้องการเวลาต้องการอิสระภาพคือเวลาที่จะได้เอาไปใช้กับการปฏิบัติถ้ายังใช้เงินทองอยู่นี้ก็จะติดอยู่กับภารกิจของการหาเงินหาทองติดกับคนนั้นติดกับคนนี้ติดกับเรื่องนั้นติดกับเรื่องนี้ ก็จะไม่สามารถไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าสละเรื่องเงินทองไปได้ไม่ต้องใช้เงินทองก็ไม่ต้องหาเงินทองเมื่อไม่ต้องหาเงินทองก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องยุ่งกับใครก็จะมีเวลาที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ งั้นข้อแรกที่พวกเราต้องทากันคือทานคือการเสียสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เรายึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกันในตอนนี้เรายึดเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเราใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกันเราจึางต้อง วุ่นวายกับการหาเงินทองกันอยู่เรื่อยๆหาแล้วก็เอามาใช้ซื้อความสุขกันพอใช้หมดก็ต้องหาใหม่ก็ทำอย่างนี้ไปจนวันแก่ตายตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาหาเงินหาทองใหม่ต่อไปเพราะความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความอยากมันอยู่ในใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายความอยากนี้ก็จะดึงให้ใจไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาหาเงินหาทองเพื่อจะได้มาซื้อความสุขต่างๆใหม่อีกดันั้นเราต้องเลิกหาความสุขด้วยการใช้เงินทองถ้าจะมีเงินทองก็มีเพื่อไว้สำหรับเลี้ยงดูปากท้องคือร่างกาย ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็จะไม่ต้องทามากเราก็จะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันนี่คืองานชิ้นแรกการปฏิบัติธรรมชิ้นแรกของพวกเราก็คือทำทานทุกครั้งที่เรายาวเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เอาไปทำทานจะดีกว่าทำทานแล้วจะทำให้ใจมีความสุขกว่ามีความอิ่มกว่าการเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะทำให้เราเลิกใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ <S <S ถ้าทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็เอามาทําบุญแทนเอามาทําทานแทนทําให้กับใครก็ได้ให้กับวัดให้กับโรงเรียนให้กับโรงพยาบาลให้บุคคลต่างๆให้บิดามารดาให้ปู่ย่าตายายให้ครูบาอาจารย์ให้เพื่อนให้ญาติสนิทมิตรสหายให้ลูกให้หลานให้ใครก็ได้ขอให้เราอย่าให้เราเท่านั้นเอง อย่าให้กับตัวเราอย่าหาเงินเพราะมันจะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมถ้าเรายังหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ให้กับตัวเราเองอนี่คือเรื่องของการทำทานนั้นเราต้องฝึกให้กันตอนนี้เราอาจจะไม่สามารถให้แบบร0อยเอร์เซ็นได้ ก็ให้ไปตามกำลังของเราก่อนเวลาที่อยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาไปทำบุญถ้าทำอย่างนี้แล้วต่อไปความอยากไปเที่ยวความอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายมันก็จะหมดไปแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะไปอยู่แบบนักบวชได้ การที่เราไปอยู่แบบนั่งบวชไม่ได้ก็เพราะเรายังมีความอยากที่จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราจึงไม่สามารถรักษาศีลแปดได้รักษาได้อย่างมากก็ศีลห้าถ้าเรายังรักการไปเที่ยวอยู่ยังชอบไปซื้อข้าวของที่ไม่จำเป็นต่างๆอยู่ ไปหาความสุขทางตาหูจมกูกเล้นกายอยู่เราจะไม่สามารถรักษาสินแปดกันได้หรือรักษาสินสองร้อยยีิบเจ็ดคือไปบวชเป็นพระบวชเป็นภิกษุณีหรือบวชเป็นชีกันได้เพราะว่าเรายัางมีความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมกูกเล้นกายอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะ ปฏิบัติได้เต็มรูปแบบได้เต็มที่เราจึงต้องพยายามเลิกการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทุกครั้งอยากจะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาเงินไปทำทานเอาไปถวายวัดเอาไปบริจาคให้โรงเรียนให้โรงพยาบาลให้สภากาชาดไทย ให้องค์กรสาธารณกุศลต่างๆให้เขาเอาไปทำประโยชน์อันนี้เราจะได้ความสุขมากกว่าการไปเที่ยวและจะได้เลิกความอยากไปเที่ยวได้แล้วต่อไปจะทำให้เรามีเวลาไปรักษาศีลของนักบวชได้ไปปฏิบัติทำได้อย่างเต็มรูปแบบ อันนี้คือหน้าที่ของการทำทานสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้บวชพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ทำทานก่อนสำหรับนักบวชนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้รักษาศีลสมาธิปัญญาไปให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเลยแต่สำหรับผู้ที่ยังต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอยู่จะไม่สามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ได้อย่างเต็มรูปแบบจะปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบแบบนักบวชก็จำเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เอาไว้ซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้งกายไปให้หมดก่อนพระพุทธเจ้าก็ทรงสละราชสมบัติสละประสาทสามฤดูสละค ร, าาระอบครัวภรรยาลูก จะละสถานะของพระราชกุมารแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชอาศัยผู้มีความเมตตาเลี้ยงดูด้วยการบินทบาทเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินหาทองจะได้มีเวลาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลย นี่แหะถ้าได้ปฏิบัติแบบตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาจนถึงเวลาหลับนี่พระพุทธเจ้าก็ส่งรับประกันแล้วว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอย่างแน่นอนสำหรับพระพุทธเจ้านี่ต้องใช้หกปีเพราะอะไรเพราะไม่มีใครบอกทางไม่มีใครรู้ทางพระพุทธเจ้าต้องคลำทางไปเหมือนคนตาบอดที่ต้องคลาทางไป ยึงต้องใช้เวลาแต่สำหรับพวกเรานี้เราไม่ต้องคลำทางเรามีคนตาดีบอกทางให้พวกเราอยู่แล้วเราเพียงแต่เดินไปตามทางที่คนตาดีคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารบอกเท่านั้นเราก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเลยวพวกเรานี้ได้เปรียบกับพระพุทธเจ้า เรามีพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงสาวกเป็นผู้บอกทางเราจึงสามารถบรรลุผลได้ภายในเจ็ดวันเจดเดือนหรือเจดปีแต่สําหรับพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครบอกทางก็เลยต้องคลำทางไปเองก็เลยใช้เวลาหปีด้วยกันถึงจะถึงจุดหมายปลายทางคือพานิพานถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงสาวก บอกพระพุทธเจ้ารับนองได้ว่าพระพุทธเจ้านี้จะไปถึงไม่อ ย, อย่างรวดเร็วอาจจะไม่ถึงเจ็ดวันด้วยซ้าไปอาจจะเพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมก็สามารถบรรลุได้เลยอย่างพร ะ, ะปัญจวัคคีหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วพอทรงแสดงทมให้แก่พระปัญจวัคคีครั้งแรก หนึ่งในพระปัจจวัคคีคือพระอัญญาณโกนธัญญะก็บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งเลยบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นที่หนึ่งทันทีหลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมนี่คือนี่คืออนุภาพของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ฟังนี้มีความสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ทันทีเลยะ อันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนพวกเราพวกเราจะไม่รู้เลยว่าพวกเราเกิดมาได้อย่างไรแล้วเกิดมา น, นี้เกิดมาเพื่อทำอะไรเราก็จะหลงไปกับกระแสของทางโลกที่คิดว่า เกิ ด, ดมาเพื่อหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็จะไปหาทรัพย์สมบัติหาข้าวของเงินทองต่างๆเพื่อที่จะได้มาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันโดยไม่รู้ว่าเป็นการซื้อความทุกข์กันเพราะความสุขที่ได้จากการซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นความสุขชั่วคราวพอเวลาไม่มี เงินทองที่จะซื้อความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่แล้วเวลาตายไปก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาหาความสุขแบบนี้ใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดคนที่ไม่ได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาจะไม่รู้เลยว่าตนเองกำลังสร้างภพสร้างชาติอย่างต่อเนื่องด้วยการไปหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการหาราบยศสรรเสริญต่างๆมาให้ความสุขกับตนไม่รู้ว่าเป็นการหาความทุกข์ไม่รู้ว่าเป็นการก่อพบก่อชาติอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าพวกถ้าได้มาพบกับพุทธศาสนาอย่างพวกเราพวกเราก็จะได้เรียนรู้ว่าการมาเกิดของพวกเรานี้เกิดจากการที่เรา ไปทําตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองไปทําตามความอยากทางลาบยศสรรเสริญกันจึงทําให้พวกเราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆและการที่พวกเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดเราก็ต้องมาหยุดความอยากเหล่านี้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญที่ได้มา ต้องหยุดความอยากเหล่านี้จึงจะทำให้เราหยุดการมาเกิดได้และการจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันและก่อนที่เราจะมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าป้าริยสงสาวกทุกพระองค์นี้สละสมบัติกันไปหมดออกบวชกันอยู่แบบนักบวชกันไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองจะได้ไม่เสียเวลาจะได้มีเวลามาบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่นี่คือ เรื่องของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าและก็ดูพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเป็นตัวอย่างท่านสอนอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นท่านสอนให้ทำทานท่านก็ทำทานกันท่านทำทานมากกับพวกเราพวกเราตอนนี้ยังทำทีละเล็กทีละน้อย ยังหวงสมบัติอยู่ยังเสียดายสมบัติอยู่ยังติดกับสมบัติอยู่ยังต้องใช้สมบัติไปซื้อความสุขต่างๆอยู่จึงไม่สามารถสละสมบัติทั้งหมดไปได้เพราะเรายังไม่สามารถหาความสุขจากการปฏิบัติได้แต่ถ้าเราพยายามหัดปฏิบัติกันไปเรื่อย ตอนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบแต่ให้มันมีเวลาปฏิบัติกันเวลาไหนว่างเช่นวันหยุดการทำงานนี้อย่าไปเที่ยวกันอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมาปฏิบัติธรรมกันมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันแล้วเราจะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจะเห็นว่ามันดีกว่า ความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวกันมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติมากขึ้นต่อไปเราก็จะสามารถขยายวันปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะเราจะเริ่มลดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันลดการหาเงินทองเพื่อที่จะมาใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน เราก็จะมีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้นแล้วมันก็จะถึงวันหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเราสามารถไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบเราไม่ต้องอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขอีกต่อไปเราก็จะสามารถสละสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่นี่ให้แก่คนอื่นไปให้หมดเลย เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านได้กระทำกันท่านได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่นี้ไปหมดนะแล้วท่านก็ไปอยู่แบบนักบวชนะไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอีกต่อไปมีเวลาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยรักษาศีลตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ จะดอสติเพื่อจะจะทาใจให้สงบเป็นสมาธิตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่งสมาธิในเวลาที่มีเวลาว่างไม่ต้องทาภารกิจต่างๆหรือเวลาที่ไม่ได้เดินจงกรมเพื่อผ่อนคลายเอรยาบดก็จะนั่งนั่งสมาธิให้มากเพราะสมาธินี้จะเป็นรากฐานของปัญญา จะเป็นผู้สนับสนุนปัญญาในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เป็นผู้พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องมีสมาธิเป็นผู้ให้กำลังปัญญาผู้สนับสนุนปัญญาปัญญาถ้าไม่มีสมาธิก็เหมือนกับทหารที่ไม่ได้รับประธานอาหาร มีอาวุธแต่ไม่มีไม่มีกำลังที่จะไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูอาวุธก็คือปัญญาแต่ถ้าไม่มีกําลังก็ไม่สามารถใช้อาวุธไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้ทหารจึงต้องมีสเสบียงติดตัวไว้สนับสนุนกําลังของร่างกายไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูด้วยอาวุธคือมีดปืนต่างๆ แต่ถ้ามีมีแต่อาวุธแต่ไม่มีกำลังไม่มีอาหารไม่มีสเสบียงอาวุธจะดีขนาดไหนก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะผู้ใช้อาวุธไม่มีกำลังที่จะใช้อาวุธนั้นได้จันดายสมาธินี้ก็เป็นเหมือนสเสบียงของใจอาหารของใจที่จะทำให้ใจมีกำลังที่จะใช้อาวุธคือปัญญามาค่าฆ่าศึกศัตรูก็คือกิเลส ต, ตัณหา ผู้ที่ทําให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กันอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือตัณหาสามประการนี้เองกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะภาวะตัณหาความอยากในลาบยศสรรเสริญวิภาวะตัณหาความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไม่สูญเสียชีวิตคือร่างกาย อันนี้เป็นตัวที่ทําให้พวกเราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องทําลายตัวนี้ตัวตัณหาทั้งสามนี้ด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลจะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิจะเป็นผู้สนับสนุนปัญญาในการที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากทั้งสามนี้ ถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือธรรมที่เราต้องมาสร้างกันตอนนี้เรายังไม่มีศีลที่บริสุทธิ์เราต้องมาสร้างศีลให้มันบริสุทธิ์ต้องสร้างตั้งแต่ตอนต้นก็เริ่มที่ศีลห้าก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้ไปบวชเราก็รักษาศีลห้ากันไปก่อน วันพระก็ลองรักษาศีลอย่างนักบวชดูคือศีลแปดดูถ้าเรารักษาได้เราก็ขยายต่อไปจากวันพระก็เป็นสองวันวันก่อนวันพระกับวันพระถ้ารักษาได้สองวันก็ขยายเป็นสามวันก่อนวันพระวันวันพระและวันวันหลังวันพระเพิ่มขยายไปเรื่อยๆ ถ้าเราทำแล้วเราจะมีกำลังที่จะสามารถที่จะเพิ่มการรักษาศีลให้มีได้มากขึ้นต่อไปเราก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ทุกวันเราก็จะทำให้เราพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติได้เต็มรูปแบบพอเมื่อเรารักษาศีลแปดได้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาทองมากมีเฉพาะไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้น เงินทองไว้สําหรับซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะถ้าเราถือศินแปดเราก็ใช้ไม่ได้เราศินแปดจะห้ามให้ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกนี่เช่นไม่ให้เราไปเที่ยวไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปรับประทานอาหารค่ําไปงานเลี้ยงอันนี้ก็เป็น เรื่องของศีลต่อจากทานตอนต้นเราก็ทําทานกันลดการใช้เงินใช้ทองในการซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเราลดการใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะไม่มีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย หรืมอมีก็จะน้อยลงไปจะทำให้การรักษาศินแปดนั้นง่ายขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดเราก็จะสามารถรักษาศินแปดได้เต็มรูปแบบถ้าเรายุดติการใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแล้วเราจะได้มีเวลามาเจริญสมาธิก่อนจะเจริญสมาธิได้เราก็ต้องเจริญสติก่อน เพราะสติเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมานั่นเองสมาธิคือความสงบสติคือการหยุดความคิดหยุดจิตนจิตจะสงบได้ก็ต้องมีการหยุดมันก่อนเอเหมือนรถที่จะจอดได้ต้องเบรกรถก่อนต้องเหยียบเบรกรถที่วิ่งอยู่นี้ถ้าไม่เหยียบเบรกเนี่ยรถจอดไม่ได้หยุดไม่ได้จิตก็เหมือนกันจิตจะสงบเป็นสมาธิได้ ก็ต้องมีสติเป็นผู้หยุดถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะได้สมาธิได้แต่ความฟุ้งซ่านได้แต่อะไรต่างๆที่โผล่ขึ้นมาให้หลอกจิตหลอกใจยอยู่ตลอดเวลาการนั่งสมาธิจึงต้องนั่งแบบมีสติกำกับจิตถ้านั่งแบบไม่มีสตินี้เราเรียกว่าไม่ได้นั่งสมาธิ เรีว่านั่งเพื่อความบ้าเพราะจิตมันจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาหลอกเราให้เป็นบ้าได้นั่นเองคนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าก็เพราะว่านั่งโดยที่ไม่มีสติควบคุมจิตนั่นเองงนั้นก่อนจะนั่งสมาธินี้ต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนเพื่อหยุดความคิดหยุดจิตไม่ให้จิตคิดอะไระวิธีที่จะสร้างสติก็มีสี่สิบวิธี ที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบเนเป็นอารมณ์ที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องหยุดความคิดได้กรรมฐานสี่สิบนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าอนุสติก็มีอยู่สิบเนเช่นพุทธานุสตเิเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเช่นบริกรรมพุทโธพุทโทธธรรมานุสติก็เราเลิกถึงพระธรรมคำสอน บาลกรรมธรมโอธรรมโมไปสังฆานุสติก็ระลึกถึงพระสงฆ์อริยะสงฆ์สาวกก็บาลีกรรมสังโคสังโคไปหรือเราจะระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆ ค, คุณก็ได้เช่นบทสวดอิติปิโสนี่ก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆ ค, คุณ ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติธรมานุสติสังขานุสตินะเวลาเราสวดยุทิปิโสเนี่ยก็เรียกว่าเรากําลังเจริญสติกันโดยใช้กรรมฐานที่อยู่ในกลุ่มของอนุอนุสติสนะิบนะนอกจากพุทโธพุทธานุสติธรมานุสติสังขานุสติแล้วก็ยังมีอาณาปณะสติ อาาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกก็การเจริญสติด้วยการดูลมเข้าลมออกการดูนี้เพื่อให้ใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ดูให้จดจ่ออยู่ดูอยู่กับลมถ้าใจต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าคิดก็แสดงว่าไม่ได้อยู่กับลมหายใจแล้วอย่างถ้าไปคิดก็ต้องดึงกลับมาให้มาดูลมหายใจใหม่ หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นลมหายใจหยาบก็รู้ว่าหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายใจหายไปก็รู้ว่าหายไปให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจถ้าเรารู้อยู่ตลอดเวลานี้ไม่มีลมหายใจไม่มีก็ไม่ตายไม่ต้องกลัว ล ม, มันละเอียดจนเราไม่สามารถรับรู้มันได้เท่านั้นเองนี่ก็เรื่องของอนาปณะสติถ้ามรนานุสติก็ให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเช่นเกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ความตายคืออะไรก็คือการหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีไปไม่กลับ อันนี้ก็คือให้นำเลิกอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เดี๋ยวก็ต้องตายแล้วไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายพรุ่งนี้มันต้องมีวันตายวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนการน ล, ลิกถึงกรรมฐานเหล่านี้ก็จะทําให้ใจเรามีสติจะทําให้ใจเราหยุดคิดได้และเวลาเรามานั่งเราก็สามารถเลือกเอากกรรมฐานอันไหนที่เหมาะกับเรา เช่นสมมติว่าเราเวลาไม่ได้นั่งเรานึกถึงความตายพอเวลาเรามานั่งเราอาจจะมาดูลมหายใจแทนกันก็นกได้เปลี่ยนได้จากมนานุสติก็มาดูลมหายใจเข้าออกหรือจะมาบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะสวดอิติปิโสก็ได้อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของจิตของเราที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางเวลามันก็ฟุ้งมากบางเวลาก็ฟุ้งน้อยการใช้กรรมฐานแต่ละชนิดก็จะเหมาะก็จะมาแก้ปัญหาของจิตที่ฟุ้งมากฟุ้งน้อยได้เช่นถ้าฟุ้งมากอาจจะต้องสวดไปก่อนสวดอิติปิโสไปก่อนถ้าไม่ฟุ้งก็อาจจะดูลมหายใจเข้าออกไปเลยหรือบริกรรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียว อันนี้ก็เป็นการเจริญสติก่อนกรรมฐานสี่สิบนอกจากที่มีอนุสติสิบแล้วก็ยังมีสร่ากศพสิบชนิดอันนี้ก็เป็นก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งครับสร่างศพนี้จะเป็นจะเป็นฐานของทั้งสมาธิและปัญญาผู้ที่เจริญสร่างศพสิบชนิดนี้จะได้ทั้งสติเพื่อทําใจให้สงบ และจะได้ปัญญาเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาออดูซากศพสิบชนิดก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ต้องตายต้องเน่าต้องเปื่อยต้องพองออต้องเละเฟะเออแล้วก็ต้องแห้งกรอบกลายเป็นดินไป อ, อ, อันนี้เป็นกรรมฐานอีกสิบชนิดด้วยกัน เ, ออเรียกว่า เรียกว่าอสุภะสิบชนิดนอกจากนั้นก็ยังมีพรหมวิหารสี่คือการเจริญเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาเป็นอารมณ์ก็สามารถทําใจให้สงบได้สามารถสร้างสติขึ้นมาได้ด้วยการาเจริญเมตตาภาวนาหรือกรุณามุฎิตาอุเบกขา หรือกสินก็มีอยู่สิบชนิดก็คือสีต่างๆสีเขียวสีขาวสีแดงแล้วก็ดินน้ำลมไฟ อ, อารมณ์เหล่านี้ก็เป็นอารมณ์ที่จะทำให้ใจมีสติขึ้นมาได้นี่คือเรื่องของกรรมฐานสี่สิบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการเจริญสติได้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรืนหลายๆอย่างผัดกันเปลี่ยนกันไปบ้าง แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความเหมาะสมก็ได้เพราะบางเวลาจิตมันเป็นอย่างหนึ่งก็ต้องใช้กรรมฐานอีกอย่างหนึ่งเช่นเวลาจิตมีความโกรธมากก็ใช้ใช้ความเมตตาใช้กรรมฐานคือการแผ่เมตตาก็จะสามารถระงับความโกรธได้เวลาเกิดการมารลมขึ้นมา การพิจารณาอัศวะให้ดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็จะทำให้จิตหายฟุ้งให้จิตกลับมาสงบได้อันนี้ก็หรือว่าเวลาที่ไม่มีศรัทธาเวลาไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติก็ให้เจริญพุทธานุสติให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นึกถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าใจก็จะมีกําลังที่จะม า, าปฏิบัติเพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเห็นผลที่พระพุทธเจ้าได้จากการปฏิบัติเห็นพระอริยสงสาวกได้ผลจากการปฏิบัติมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปนี่คือกรรมฐานสี่สิบ เป็นอารมณ์ที่เราใช้ในการเจริญสติผู้ที่จะปฏิบัติสมาธิและปัญญานี้ต้องเจริญสติก่อนถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถทําใจให้สงบไปให้เป็นสมาธิสมาธิก็คืออัปปนาสมาธิจิตรวมลงเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้แล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งการมีความสุขในสมาธินี่แหละที่จะทำให้เรา สามารถเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าเรายัางไม่มีความสุขทางใจทางสมาธิเวลาเกิดความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราจะทนไม่ไหวใจเราจะสัน่นเราจะต้องไปทําตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีสติเวลาใจเราสัน่นเราหยุดมันได้หยุดด้วยสติ หยุดด้วยกรรมบริกรรมพุทธโธหยุดด้วยการดูลมหายใจเข้าออกหรือหยุดด้วยการพิจารณาหยุดด้วยการพิจารณาอสุภะพิจารณาความตายมันก็จะทำให้ใจหายสั่นได้เลิกอยากได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของสติกสมาธิที่เราจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะมาใช้ปัญญามาหยุดตันหาความอยาก ปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือเห็นว่าการทำตามความอยากนี้มันนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนำไปสู่ความทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้ายังมีความอยากอยู่ในใจตายแล้วความอยากนี้ก็จะดึงใจให้ไปทำตามความอยากใหม่ถ้ายังอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เวลาตายไปแล้วความอยากนี้ก็จะดึงให้เราไปมีร่างกายอันใหม่ ไปมีตาหูจมูกลิ้นกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้มาทําตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่นั่นเองเนี่ยนี่คือปัญญาให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้จะต้องอยากไปอย่างเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดการไม่ทําตามความอยากเป็นการทําลายความอยากให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าเรามีสมาธิแล้วมีปัญญาช่วยกันอ เราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาภายในใจของเราได้ต่อไปใจของเราก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ต่อไปใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆหรือความโลภโกรธหลงต่างๆนี้เรียกว่านิพานใจนิพานไม่ได้เป็นสถานที่นิพานคือใจของเรานี่แหละ Icana, ที่เหมือนกับเสื้อผ้าตอนนี้เสื kita, there, Rebecca, ้อผ <om id Zen Seattle> ้าเราสกปรกเราทําอย่างไรเราก็เอาไปซักกันพอเราซักเสื้อผ้าเสร็จเสื้อผ้าสะอาดเสื้อผ้าสะอาดกับเสื้อผ้าสกปรกก็เป็นคนละเรื่องกันเสื้อผ้าที่สะอาดก็น่าสวมใส่ใส่แล้วมีความสุขเสื้อผ้าที่สกปรกก็ไม่น่าสวมใส่ใส่แล้วไม่มีความสุข ในใจที่ไม่สะอาดก็ไม่มีความสุขใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็มีความสุขอย่างยิ่งเป็นบร ม, มสุขนิบานังปรมังสุขขังอนิพพานคือความสุขอย่างยิ่งนิพพานก็คือความสะอาดของใจใจที่ปรัสะจากตันหาความอยากทั้งสามประการคือปัสะจากกงมาตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาอันนี้ก็คือ เรื่องของการปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและทรงนำมาสั่งสอนผู้ที่น้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกกันพระอริยสงสาวกมาจากที่ไหนก็มาจากพวกเรานี่แหละพวกที่ได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า แล้วเกิดศรัทธาน้อมนําเอาไปปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามก็สามารถที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งสามประการให้หมดไปจากใจได้ด้วยการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาด้วยการทําทานด้วยการสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่เพื่อที่จะได้ออกบําเพ็ญได้อย่างเต็มที่พอได้บําเพ็ญอย่างเต็มที่ ใจก็จะสะอาดบอยสุขึ้นมาใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจก็จะเป็นนิพพานเป็นบร ม, มสุขไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับสิ่งที่หายากและมีคุณค่าอย่างยิ่งสี่ประการนี้คือได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมและได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราสามารถศึกษาและปฏิบัติได้อย่างเต็มเต็มที่เหมือนกับนักศึกษาที่ไปเรียนในมหาวิทยาลายัยถ้าไปเรียนทุกวันตามเวลาที่ตามตารางที่โรงเรียนเขาจัดเอาไว้ให้กำหนดไว้ให้ เรียนไปสี่ปีก็สามารถจบปริญญาได้อย่างใดถ้าเรียนตามตารางที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้บำเพ็ญก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็คือรักษาศีลตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับจเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับสลับกับการนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิได้แล้วมีความสุขแล้วก็จเจริญปัญญา พิจารณาสอนใจให้รู้ว่าการกระทําตามความอยากเป็นการนําไปสู่ความทุกข์นาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนต้องหยุดความอยากเท่านั้นถึงจะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้ายังไม่หยุดความอยากอยู่ก็ก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆอันนี้คือปัญญา พอเกิดปัญญาพอเกิดความอยากขึ้นมาปัญญาก็ต้องมาบอกว่าอย่าทำตามอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายก็อย่าไปทำตามถ้าใจมีสมาธิใจก็จะไม่สัน่นใจก็จะฝืนได้แต่ถ้าใจไม่มีสมาธิใจจะสัน่นจะฝืนไม่ได้ดังั้นเราต้องฝึกสมาธิกันให้มากๆสามารถเข้าสมาธิหยุดใจได้ตลอดเวลา เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วพอใจจะเริ่มสั่นนี่เราต้องหยุดมันได้ทันทีถึงจะเรียกว่ามีสมาธิพอเราหยุดความสั่นได้เราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากสาเหตุที่คนที่ยังต้องไปทำตามความอยากอยู่เขาเพราะว่าเวลาเกิดความอยากแล้วใจมันสั่นสั่นจนทนไม่ไหวเวลาสั่นนี่มันทรมานดูคนที่ติดยาเสพติดเนี่เขาสั่นจนจะจะตายเอา ทนไม่ไหวต้องไปเสพถึงจะหายสัน่นมือไม้สัน่นร่างกายสั่นไปหมดเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้ามีสติดีๆมีสมาธิดีๆนี้จะสามารถควบคุมความสั่นของใจได้เวลาเกิดความอยากก็จะสามารถสู้กับความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้เลิกความอยากได้เพราะความอยากมันหมดหทิหมดกำลังใจก็จะหายสัน่น แล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปนี่คือเรื่องของแนวทางของการปฏิบัติเรื่องของการที่เราจะได้รับประโยชน์อันนําค่าจากการได้มาพบกับสิ่งที่ยากสี่ประการนี้ก็คือการมาปฏิบัติทมกันและการปฏิบัตินี้ก็ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าหญิงว่าชาย ไม่ว่าขลาวละวาดหรือนักบวชไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนมีมีใจเหมือนกันใจของทุกคนเหมือนกันใจที่สามารถบาเพ็ญสติสมาธิปัญญาได้เหมือนกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะมีศรัทธามีวิริยะหรือไม่เท่านั้นเองถ้าไม่มีศรัทธาก็เพียงสร้างศรัทธาขึ้นมาด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆด้วยการ ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกถ้าได้ศึกษาพระพูธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเกิดศรัทธาขึ้นมาพอมีศรัทธาแล้ววิรยิยะความเพี ย, พยายามก็จะปรากฏขึ้นมาความขยันหมั่นเพียรก็จะตามมาจะอยากแต่ย จ, จะอยากแต่จะปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวจะไม่อยากได้อะไรที่มีอยู่ในโลกนี้อีกแล้ว เพราะเคยได้มามากแล้วแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากได้การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่การได้ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี้จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้และจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยิ่งใหญ่คือความสุขของพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้กับเราได้นอกจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นตอนนี้เราได้พบกับสิ่งที่หายากสี่ประการแล้วอยู่ที่เราว่าเราจะสามารถ นำมันออมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้ายังไม่มีศรัทธาก็ขอให้พยายามศึกษาให้มากๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปศรัทธาก็จะเกิดแล้ววิริยะก็จะตามมาแล้วการปฏิบัติก็จะตามมาแล้วการหลุดพ้นการบรรลุผลก็จะตามมาอย่างแน่นอน นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกบปติอิทิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชติตา สัพเพบริ่นตุสังกปายันโทปนาราโสยะามณิโชติราโสยะาสัพพิเิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควิน ok ัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะ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 ถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขออนุญาตอย่ามาถามเพราะว่าต้องมีเวลาหยุดเน่ตอนนี้เวลาถามถามได้เวลาเลิกถามก็อย่าถามอันนี้ยูทูบเฟซบุ๊กกี่วัาเท่าไหร่เฟซบุ๊อยู่ที่สามรบนะครับยูทูอยู่ที่95ครับหแบตหมดแล้วบางเครื่องนั้น น่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์ค่ะใครมีโทรศัพท์ช่วยปิดหน่อยนะเพราะว่ามันรบกวนกับเครื่องส่งอ่าวันนี้มีคำถามทางทางนี้มีใครอยากจะถามหมถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองจะเขียนข้อความส่งมาก็ได้ถ้าอยากจะถามด้วยตัวเองก็มีไมโครโฟนให้ถามได้ถ้ายังไม่มีก็จะให้คำถามทางบ้านก่อน คำถามจากทางอินบ็อกจากคุณทัญญาหากที่คอนโดมีการฉีดปลวกยาฆ่าแมลงในท่อแล้วทางเจ้าหน้าที่บอกว่าควรฉีดด้วยเพราะถ้าไม่ฉีดก็อาจทําให้แมลงสาบหรือแมลงต่างๆหนีมาตามท่อขึ้นมาห้องที่ไม่ฉีดได้ถ้ากรณีเราร่วมฉีดยาฆ่าแมลงด้วยจะถือว่าบาปไหมคะถ้าเราทำํำเองก็ดีถ้าสั่งให้เขาทําก็ดีก็บาป อาจารย์ค่ะม uh, ีเพื chan, ่อนฝากมาถามท่านพระอาจารย์ว e ่าเวลานั่งแล้วเขาเฉยไปเลยอย่างนี้ค่ะเฉยแบบไหนเฉยแบบไม่รู้เรื่องแล้วเฉยแบบรู้เรื่องแบบนั่งมีสติแล้วแล้วก็กําหนดจิตไปแล้วแล้วมันสงบแล้วก็เฉยไปเลยลมหายใจก็หายก็ดีก็ปล่อยมันเฉยไปนั่งเพื่อให้มันเฉยแล้วกาต้องพิจารณาอะไรอีกไหมคะตอนนั้นยังไม่ต้องพิจารณาให้มันเฉยไปนาน ไว้รอออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาต้องพิจารณากายหรือว่าเออะไรก็ได้ทั้นพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ต้องพิจารณาตอนออกจากสมาธิแล้วขณะอยู่ในสมาธิขณะที่เฉยต้องให้มันเฉยไปนานๆเหมือนคนนอนดับอย่าไปปลุกให้เขาพักเต็มที่แล้วพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วค่อยมาเ้าก็ตื่นขึ้นมาแล้วค่อยไปทํางานออค่ะขอบคุณมากค่ะ อยากสอบถามว่าถ้าสมมติเราอยากเรามีเป้าหมายว่าอยากเป็นโซดาบันให้ได้ในชาตินี้อะค่ะเราควรจะต้องเริ่มกับยังไงแล้วเราควรจะต้องทําอย่างไรบ้างคะก็นี่แหละทานศีลสมาธิปัญญาไปก็ต้องทําทานถ้าอยากจะไปเร็วก็ต้องไปบวชแล้วก็รักษาศีลของนักบวชไปศีลแปดแล้วก็ฝึกสติ ให้มีกําลังที่จะหยุดความคิดต่างๆให้จิตรวมเป็นสมาธิพอจิตมีสมาธิแล้วก็พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็เป็นพระโสดาบันได้คําถามจาก มิกิข้อที่หนึ่งเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดสามารถทานสาหล่ายได้หรือไม่คะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราไม่เคยฉันเลยไม่รู้วนะ่าเป็นยาหรือเป็นอาหารถ้าเป็นยาก็ฉันได้ถ้าเป็นอาหารก็ฉันไม่ได้ข้อที่สองและสามารถฟังธรรมก่อนนอนได้หรือไม่คะฟังได้ตลอดเวลาแนละก่อนนอนหลังนอน แต่ให้ฟังแบบมีสติถ้าฟังเพื่อนอนหลับก็อย่าไปฟังคำถามจากผู้ฝากถามวันก่อนหนูเจอกับคนที่ไม่ชอบมีความรู้สึกกระเพื่อมใจสั่นนิดๆตอนนั้นหนูสอนตัวเองว่าหนูจะเอาชนะกิเลสจะยกมือไหว้และยิ้มทักทายเขาถึงจะรู้สึกฝืนๆแต่หนูตั้งใจจะเอาชนะกิเลสตัวเอง แต่เขาคนนั้นไม่มองหน้าเลยไม่ได้ทำอย่างที่คิดไว้แต่ตั้งใจว่าถ้าเจอจะทำแบบที่คิดไว้การที่หนูคิดและจะทำอย่างนี้ถูกไหมคะก็จะทำไม่ทำไม่สำคัญสําสำคัญว่าใจเราสันหรือไม่สันอันนั้นสำคัญกว่าถ้าใจเราไม่สันเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คำถามจากคุณนารา คนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งตายพระโสดาบันมีน้ำตาล้องไห้เหมือนคนธรรมดาไหมคะต้องไปถามพระโสดาบันดูคาถามจากคุณซูซี่ขอพระอาจารย์แนะนำวิธีการเจริญสติโดยกระสินสิบค่ ะ, ะก็กสินสิบก็มีสีต่างๆเช่นสีเขียวสีขาวสีแดงวิธีเจริญก็เหมือนกระดูลมหายใจ แทนที่จะดูลมก็ดูสีถ้าเราจะใช้สีเขียวก็เอาสีเขียวมาดูเลื่มตาดูสีเขียวแล้วก็จะจดจาสีเขียวไว้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกให้มีสีเขียวขึ้นมาในจอภาพในใจแล้วก็ดูสีเขียวที่มีอยู่ในใจไปเหมือนกับดูลมไปถ้าไม่มีสีเขียวก็น้องนึกถึงสีเขียวถ้ายัางนึกไม่ออกก็เปิดตาดูสีเขียวก่อน แล้วก็จําสีเขียวไว้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงสีเขียวนั่นไปให้อยู่กับสีเขียวไปอย่างเดียวไม่ให้ไปนึกถึงอย่างอื่นเหมือนกับดูลมให้ดูลมอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่นเพียงแต่เปลี่ยนจากลมมาเป็นสีเท่านั้นเองคําถามจากคุณสีเมืองเวลานั่งสมาธิตอนที่กําลังจิตจะนิ่งตอนที่กําลังจิตจะนิ่งมากจะมีเหตุมากวนใจให้ตกใจ ออกจากสมาธิควรทำอย่างไรครับก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจที่เราใช้เป็นเครื่อ ง, องกำกับใจอะไรจะมาก็ไม่ต้องไปสนใจมันคำถามจากคุณสมใจเรื่องการโอนบุญให้กับลูกที่เกิดจากการแท้งแล้วยังไม่ได้ไปเกิดจะช่วยเขาให้ได้ไปเกินในภพภูมิที่ดีได้แบบไหนเจ้าคะ เขาต้องไปตามบุญตามบาปของเขาเราโอนบุญโอนไปเขาให้เขาไม่ ไ, มได้หรอกนอกจากถ้าเขาเป็นเปรตเขาแล้วก็จะแบ่งส่วนบุญให้เขาได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองพ อ, อยังชีพไปวันๆหนึ่งแต่ไม่สามารถไปเปลี่ยนภพชาติของเขาได้คําถามเจ้าคุณนิสลาเงินของคุณแม่โอนเข้าบัญชีวัดเพื่อทําบุญถ้าคุณแม่ให้ทางวัด เขียนใบอนุโมทนาบัตรชื่อของลูกเพื่อไปหากรถยนต์ภาษีผิดศีลหรือเป็นบาปไหมคะถ้าไม่ใช่เป็นของลูกมันก็โกหกเนี่ยคถามจากคุณพรณพัทเวลาสวดมนต์สวดออกเสียงกับไม่ออกเสียงมีผลเหมือนกันไหมคะก็มีผลเสียงดังกับไม่ดังเนี่ยคถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ความทุกข์ของคนที่เกิดจากความผิดหวังควรช่วยเขาอย่างไรดีคะก็สอนให้เขาเห็นว่าความผิดหวังนี่เป็นเรื่องปกติคนเราทุกคนเกิดมาในโลกมันต้องมีความผิดหวังเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราหวัง ม, ม, มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็ต้องหัดเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความผิดหวังคราวนี้พลาดไปไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจก็เลยเสียใจ ก็เอาความผิดหวังคราวนี้มาสอนใจว่าคราวต่อไปเวลาผิดหวังก็อย่าไปเสียใจเพราะถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับรับเหตุการณ์ไว้เวลาผิดหวังต่อไปเราจะไม่เสียใจเพราะเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกที่เราหวังนี้ไม่มีอะไรแน่นอนบางทีหวังแล้วก็ได้ก็มีบางทีหวังแล้วก็ไม่ได้ก็มี แต่ถ้าเรารู้ไววล่วงหน้าเราก็จะไม่เสียใจแต่คราวนี้ก็เอาความเสียใจนี้มาเป็นบทเรียนว่าเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ครั้งต่อไปเราต้องไม่พลาดอย่าทำผิดซ้ำสอง <c oughs> ทำผิดซ้ำสองนี่แสดงว่าโง่มากผิดครั้งแรกนี่ยังพอให้อภัยได้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรก แต่ถ้าผิดแล้วยังมาผิดอีกเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย <c oughs> ก็แสดงว่าเราโง่เราไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเราคำถามจากคุณกะโนกวันการนั่งสมาธิ <c oughs> ต้องนั่งให้จิต ด, ดิ่งตัดความรู้สึกทั้งหมดหรือต้องนั่งให้มีสติรู้ตัวตลอดเวลาแบบไหนจึงจะถูกต้องคะ อ, อ๋อถ้ามีสติตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ดิ่ง ผลเนื้อคือมันต้องเด่งลงสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องประคับประคองสติประคับประคองใจด้วยสติไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรืออย่าไปรับรู้เรื่องต่างๆคำถามจากคุณภาวินีโยมนั่งสมาธิวันนี้ในสถานที่นี้เวลาผ่านไปห้าสิบนาทีมีอาการคอแห้ง อยากลืมตาลมหายใจหายไปโยมทนไม่ไหวเลยต้องลืมตาขึ้นมาขอพระอาจารย์แนะนําให้โยมสามารถนั่งต่อไปโดยไม่ลืมตาขึ้นมาเจ้าค่ะก็ลองบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้คําถามหมดค่ะหลวงพ่อทางนี้มีคําถามเหรอมีอะไรแล้วปะอยากจะถามอะไรแล้วปะไม่เลย คำถามทางบ้านหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวก็แล้วกันเหมือนฝนตกอะ่ะต้องรอให้มันตกเข้าไปในถังก่อนเดี๋ยวพอถัง ม, มันมีน้าเดี๋ยวมันก็ไหลออกมาอันนี้ฝนกําลังตกอยู่ยังเข้าไปในถังอยู่ยังเดินทางมาไม่ถึงคําถามบางคนกําลังพิมพ์อยู่ คือต้องเข้าใจการปฏิบัติระหว่างสมาธิกับปัญญานี้มันเป็นสองภาคมันไม่ใช่เป็นภาคเดียวกันเวลานั่งสมาธิเราต้องให้มันนิ่งอย่างเดียวให้มันสงบเหมือนภาคนอนหลับเวลาภาคนอนหลับกับภาคทำงานนี่มันคนละภาคกันเวลานอนหลับเราไม่ไปทำงานไม่ใช่พอนอนหลับก็ปลุกขึ้นมาเฮ้ยไปทางานได้แล้วมไม่ใช่นอนหลับก็ต้องให้มันนอนจนกระทั่งมันพักผ่อนได้เต็มที่ พอมันตื่นขึ้นมาแล้วค่อยพาพาร่างกายไปทำงานใจก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิก็ต้องการพักผ่อนใจให้ใจมีอุเบกขามีความสงบมีความสุขนานๆพอใจมันอิ่มแล้วมันถอนออกมาแล้วค่อยเอาไปทำงานคือพิจารณาทางปัญญาพิจารณาว่าการทาตามความอยากเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มามันเป็นไม่เที่ยง มันได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียเพราะทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเรามาตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวเราไปแล้วก็เอาตัวเปล่าๆไปเราไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้เอาสามีภรรยาไม่ได้เอาบุตรเอาทิดาเอาพ่อเอาแม่ไปเอาไปไม่ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืม ควจริงเรารู้แล้วแต่เรามักจะลืมเราไม่ชอบคิดถึงมันเราไม่อยากคิดถึงมันก็เลยเป็นเหมือนว่าเราลืมลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายกันพอแก่ขึ้นมาก็ตกใจกันพอเจ็บขึ้นมาก็ตกใจกันพอตายขึ้นมาก็ตกใจกันแต่ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเวลามันแก่จะไม่ตกใจเวลามันเจ็บจะไม่ตกใจเวลามันตายจะไม่ตกใจ นี่คือปัญญาต้องคอยสอนใจถ้ามันตกใจก็ต้องใช้สมาธิมาช่วยพุทโธพุทโธให้มันหายตกใจถ้ามันใจสัน่นก็ใช้พุทโธใช้สมาธิมาหยุดมันเข้าไปในสมาธิพอจิตสงบความความสั่นของใจก็หายไปต่อไปก็จะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายมาแล้วยังมีไหมมีค่ะ ม, มามข้ อ, อข้อบา คำถามจากคุณจำโบทำบุญแต่ไม่ได้อธิษฐานจะได้บุญใหม่ครับได้ความจริงอธิษฐานมันมันอธิษฐานมาแล้วอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจก่อนเราจะทำอะไรเราก็ต้องตั้งใจก่อนจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจก่อนว่าจะทำบุญไม่งั้นจะฟังเงินออกมาได้ไงนี่เราค่อเข้าใจผิดเราคิดว่ากาอธิษฐานคือคำขอขอให้ได้นูน่นขอให้ได้นี่อันนี้ไม่ใช่อธิษฐานของภาษาพระ อสาสาสาพระอธิษฐานแปลว่าตั้งใจงก่อนที่เราจะทําอะไรทางกายทางวาจาได้ใจต้องคิดก่อนแล้วความคิดของใจนี้ก็คือความตั้งใจล่ะอย่างวันนี้คิดว่าจะมาที่นี่อันนั้นก็เป็นความตั้งใจแล้วเป็นอธิษฐานแล้วออทิษฐานทีนี้จะทําหรือไม่ทํานี่อีกเรื่องหนึ่งบางทีคิดแล้วไม่ทําก็ได้คิดจะมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจเพื่อนโทรศัพท์มาชวนไปที่อื่นอ่ะก็ไปเปลี่ยนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสัจจะ ไม่มีความจริงใจต่อความตั้งใจตั้งใจแล้วแต่ล้มเพราะถึงเวลาจะทำทำไม่ได้เพราะไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะนี่เวลาใครจะมาชวนไปที่อื่นก็ไม่ไปเพราะบอกว่าได้ตั้งใจแล้วว่าจะมาวัดก็ต้องมาวัดรักษาสัจจะของตนเองดัง <c oughs> นั้นการที่อธิษฐานและการที่จะทำอะไรตามอธิษฐานได้ต้องมีสัจจะ มีความจริงใจนอกจากความจริงใจแล้วก็ต้องมีความเพียรบางทีมีความจริงใจจะมาแต่เจ็บตรงนั้นหน่อยปวดตรงนี้หน่อยก็ยอมแพ้ไม่เอาแต่ถ้ามีความเพียรพยายามถึงเมือจะเจ็บตรง น, นั้นนิดตรงนี้หน่อยพอมาได้ก็ถูถยมาให้ได้เรียกว่า ok มีความเพียร น, นอกจากมีความเพียรแล้วก็ต้องมีความอดทนเวลาถูถมันมามันอาจจะไม่ยอมมาก็ได้ ว่ามันเจ็บมันปวดมันยากมันลำบากถ้าไม่มีขันติความอดทนก็อาจจะล้มเหลวได้งั้นการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จด้านนี้เราต้องมีทรสี่ประการคือหนึ่งอธิษฐานความตั้งใจ 2. สองัจจความจริงใจสวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรพยายามและสี่ขันติความอดทนถ้าเรามีทำทั้งสี่แล้วถ้าเราตั้งใจทาอะไรรับรองว่าทาได้ แล้วไปนี้ผ่านก็ต้องมีทำทั้งสีนี่คำถามจากคุณลัตนาทำอย่างไรจะให้นั่งสมาธิได้เวลานานกว่า20นาทีคะก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากๆมันฝึกสติบ่อยๆก่อนที่จะมานั่งลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยเวลาไปห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันทำอะไรในห้องน้ำก็พุทโธพุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้ uni, ถ้าเราควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิจะนั่งได้นานคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากคนคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องที่เสียใจแต่เขานั่งสมาธิอยู่กับเราทุกวันแต่จิตไม่สงบควรแนะนำเขาอย่างไรดีคะก็ให้ฝึกสติก่อนไงให้มันพุทโธพุทโธไปทั้งวัน คำถามจากคุณสมศรีในบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักบวชแต่รักษาศีลแปดสม่ำเสมอจะเข้าสมาบัติได้หรือไม่คะก็อยู่ที่สติถ้าสติมีกําลังมากก็เข้าได้คําถามจากคุณกนกวันตอนนอนหลับเราควรปฏิบัติอย่างไรหากต้องการทําสมาธิขณะนอนหลับไม่มีใครเขาทําสมาธิตอนนอนหลับ หลับก็หลับไปมันทําอะไรไม่ได้เวลาหลับก็เหมือนคนตายทําอะไรไม่ได้ถ้าอยากจะทําอะไรก็ทําำตอนที่ไม่หลับไอ้ที่ตอนไม่หลับไม่อยากทําไอ้เวลาหลับจะอยากจะทำเพราะมันสบายใช่หมมันขี้เกียจนั่งสมาธิตอนทําสมาธิตอนหลับได้ก็ดีเลยจะได้ไม่ต้องมาทําตอนที่ตื่นตอนตื่นจะได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันได้คําถามจากคุณพานุวัตร การเดินจงกรมและนั่งสมาธิต้องทำควบคู่กันใช่ไหมครับมีความสำคัญเท่ากันไหมครับไม่ทำสลับกันเด่ควบคู่กันได้ไงเดินกับนั่งมันทำพร้อมกันได้ที่ไหนถ้าเดินก็ต้องไม่ถ้าเดินก็ไม่ได้นั่งถ้านั่งก็ไม่ได้เดินที่สลับกันเพราะร่างกายมันนั่งอย่างเดียวไม่ไหวเดินอย่างเดียวไม่ไหวมันต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถเดินแล้วเมื่อยก็มานั่งนั่งแล้วเมื่อยก็ลุกไปเดิน แต่การเจริญสติมีเหมือนกันสติอยู่ตลอดเวลาเดินก็พุโทโธนั่งก็พุโทโธคำถามจากคุณขจรสกักเลี้ยงสัตว์ไว้ขายหรือไว้กินแต่เราไม่ได้ฆ่าบาปไหมครับเราก็มีส่วนแต่เราไม่บาปถ้าเราไม่ได้สั่งเขาให้ฆ่าหรือเราฆ่าเองมันไม่บาปเพียงแต่เราก็สนับสนุนให้เกิดการฆ่าได้คำถามจ้คุณสันติให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายฟังธรรม เขาจะได้ไปพบภูมิที่ดีใหมคะถ้าหากว่าเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าเขาเข้าใจธรรมะแล้วเขาค่ากิเลสได้ค่าความอยากต่างๆได้เขาก็ไปพบภูมิที่ดีได้คำถามจากคุณแนนซี่ผู้บรรลุ ธ, ธรรมที่มีฤทธิ์และไม่มีและไม่มีฤทธิ์สัมผัสถึงพระนิพพานเหมือนกันไหมคะเอ่อเหมือนกัน มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์นั้นคนละเรื่องกันอนิพพานก็คือจิตปราศจากความโลภโกรธหลงปราศจากความอยากเหมือนกันไม่ต้องมีฤทธิ์ก็ได้การจะบรรลุนิพพานนี้ไม่ต้องมีฤทธิ์ก็ได้มีก็ได้ไม่เกี่ยวกันคำคุณถามจากคุณทาบิตาการไปปฏิบัติธรรมเพื่อเอาบุญส่งให้พ่อแม่ได้ไหมคะถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะส่งได้หรือเปล่าหนึ่ง การปฏิบัติของเรามันยังไม่ได้บุญยังไม่ได้ผลมันไม่ได้บรรลุอะไรสมาธิก็ไม่ได้อ่าปัญญาก็ไม่ได้บรรลุอมันก็ยังไม่มีผลที่จะส่งไปถ้าอยากจะ ส, ส่งบุญให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็ควรส่งด้วยการทำบุญทำทานดีกว่าเพราะมันได้ผลทันทีเนี่ยเราบรยจากเงินซื้อของถวายวัดนี่เราได้บุญทันทีบุญนี้เราส่งไปได้ทันที แต่บุญที่เกิดจากการไปปฏิบัติธรรมนี้มันยังไม่เกิดมันยังไม่สมาธิยังไม่ได้ปัญญายังไม่ได้บรรลุธรรมมันก็ยังไม่มีบุญและจะทําอย่างไรให้พ่อแม่สนใจการปฏิบัติธรรมคะก็เอาธรรมะเอาหนังสือธรรมะเอาอะไรไปไว้ที่บ้านเผื่อเขาสนใจเขาอยากจะอ่านเขาก็จะได้อ่านเขาอยากจะฟังก็ได้ฟังหรือก็หาอุบายหลอกเขาให้พาเขาให้ชวนให้เขามาวัดชวนให้เขามาเป็นเพื่อนเรา ถ้าเข้ามาเพื่อเราเขาอาจจะมาแต่ถ้ามาเพื่อเขาเขาอาจจะไม่มาถ้าเราบอกเขาว่าอยากจะมีเพื่อนไปวัดขอให้เขามาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมถ้าเขาเห็นว่ามาเพื่อเราเขาอาจจะมาก็ได้พอเากามาวัดเขาก็จะได้มาทาบุญได้มาฟังเทศฟังธรรมมาอะไรเขาก็อาจจะได้สัมผัสกับธรรมะแล้วต่อไปก็อาจจะเกิดศรัทธาขึ้นมาคาถามจากคู่ไม่ประสงค์ออกนาม สมาธิต่างจากวิปัสนาอย่างไรคะสมาธิก็เหมือนการพักผ่อนร่างกายนอนหลับพักผ่อนให้กำลังแก่ร่างกายการนั่งสมาธิเข้าสมาธิเพื่อให้กำลังใจพักผ่อนใจให้ใจมีกำลังส่วนวิปัสนาเป็นการทำงานของใจวิปัสสนาก็คือการสร้างความจริงให้เกิดขึ้นภายในใจให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา เพื่อจะได้ปล่อยวางหยุดความอยากต่างๆคําถามจากคุณอุเทนพุทโธจนจิตรวมควรจะเป็นรวมแบบมีสติถูกต้องใช่ไหมครับอ่าถ้ามีสติมันก็มีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่มีสติคําถามจากคู่ไม่ประสงค์ออกนามฝันเดิมๆซ้ำๆภาพเดิมอยู่บ่อยๆเช่นว่าเปิดประตูไปเรื่อยๆแต่ก็อยู่ที่เดิมโดยเป็นคนนั่งสมาธิถึงขั้น ควบคุมจิตได้ระดับหนึ่งจิตรู้ว่าฝันดึงให้ตื่นเป็นต้นอยากถามว่าความฝันแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรครับหรือหมายถึงอะไรครับมันก็เป็นเรื่องของจิตเนี่ยมันผูกพันกับอะไรมันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆคำถามจะคุณเลิฟธรรมะการทำบุญทาทานและการนั่งสมาธิทุกวันบวกกับการลดละความอยากได้ ทุกวันยังต้องทำงานเลี้ยงชีพมีเหลือไม่เหลือก็ตั้งใจทำบุญและใครเดือดร้อนก็จะช่วยเท่าที่ให้ได้ค่ะทุกวันสวดมนต์และนั่งสมาธิขอตั้งจิตไม่ขอเกิดเพื่อความหลุดพ้นจะมีความเป็นไปได้ไหมคะขอไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติถ้าอยากจะหลุดพ้นไม่มาเกิดก็ต้องหยุดความอยากสามประการนี้ให้ได้ หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคําถามจากคุณรัต ด, ดาถ้าเราใส่บาตรตอนเช้าตอนที่เราใส่เราอธิษฐานจิตแล้วจําเป็นไหมคะที่เราต้องกรวดน้ําอีกรอบหนึ่งอธิษฐานจิตก็กรวดน้ํามันคนละเรื่องกันอธิษฐานจิตความจริงมัน อ, อธิษฐานอยู่แล้วเวลาอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ วันนี้ตั้งใจจะใส่บาตรนี่ก็มีอธิฐานแล้วส่วนอุทิศบุญนี่ก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะแบ่งบุญที่เราทำวันนี้ให้กับใครหรือเปล่าคนที่ร่วงลับไปแล้วถ้าเราอยากจะแบ่งให้เขาเราก็อุทิศไปให้เขาคำถามจากคุณนารยาที่พระอาจารย์บอกว่าพิจารณาทางปัญญาหลังออกจากสมาธิหากเรายกเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาพิจารณา แต่ติดขัดที่พิจรารณาเรื่องที่เรายกมาไม่สุดทางแสดงว่าหนูต้องแก้ไขอย่างไรดีคะก็ยังไม่เห็นด้วยปัญญา น, นีอยยังไม่เห็นเรื่องที่เราติดอยู่ว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรายังยึดติดอยู่ยังอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องมองว่ามันเป็นเหมือนอนัตตาก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเราไปบังคับมันไม่ได้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ เหมืกับมลกรนี่เราจะไปสั่งให้มันเป็นสัพพรสไม่ได้มันเป็นมลกอก็ต้องให้เป็นเป็นมละกอไปคนเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ไปถ้าเราปล่อยถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอย่างนี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็จะมีปัญหากับเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนี้ไปปัญหาก็จะตกไปคําถามจากคุณจัมโบ ถ้าเราจะเลิญพุทธานุสติจนมีความระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดทุกลมหายใจเราจะบรรลุธรรมได้ไหมครับไม่ได้หรอกได้แค่สมาธิถ้าจิตนั่งเฉยๆจิตอยู่กับพุทธโธเดี๋ยวจิตก็ดิ่งรวมเป็นเป็นสมาธิขึ้นมาแต่ยังบรรลุธรรมไม่ได้จะบรรลุธรรมต้องต้องเจริญปัญญาต้องเห็นนัว่านางกายไม่ใช่ตัวเราของเรา แล้วปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้โดยที่ไม่ไปทุกข์กับมันคําถามจากคุณสีเมืองนั่งสมาธิให้เกิดปิติสุขจะเกิดขึ้นในเวลาไหนครับก็เวลาที่นั่งแหละจะเกิดเวลาไหนนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าจิตมันสงบมันก็เริ่มเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาตามลำดับแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าไปสู่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้ต่อไป คำถามจากคุณเฟิร์สลีถ้าเราจะอธิบายเรื่องของการปฏิบตัติว่าได้อนิสงส์มากกว่าการทำบุญใส่บาทให้ญาติพี่น้องให้เขาเข้าใจได้อย่างไรดีคะก็เหมือนกับทำบุญก็ได้เหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทเหรียญสิบถ้านั่งสมาธิก็ได้แบงค์0้าร้อยแบงค์พันค่ะคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ จิตมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ควรสอนจิตยอย่างไรดีคะก็ไม่ต้องไปสอนมันหยุดมันเลยใช้พุโทโธหยุดมันพอมันจะไปคิดเรื่องไร้าสาระก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปฝึกสติไปฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่คิดเวลาคิดแล้วก็หยุดมันคําถามจากคุณแนนซี่ข้อที่หนึ่งนั่งสมาธิแล้วมักเห็นแสงสีแดงวูบวูบวับ หรือบางครั้งเห็นเป็นภาพเรื่องราวต่างๆกราบขอความเมตตาช่วยแนะนำให้เจริญก้าวหน้าในสมาธิเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งด้วยค่ะออต้องไม่สนใจเรื่องราวต่า ง, า ง, างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้อยู่กับลมหายใจได้ยอยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวข้อที่สองขอพระอาจารย์เมตตาให้ทราบอานิสงส์ของบาปของการทาผีศีลห้าแต่ละข้อ เพื่อเตือนสติให้เกิดฮิรีโอตปาด้วยค่ะก็ทำบาปใจก็จะร้อนเหมือนไปเล่นเหมือนเอามือไปจับไฟถ้ามือคเอามือไปจับไฟก็โดนไฟเผาทำบาปก็บาปก็จะเผาใจทำให้ใจร้อนเวลาเราทำบาปนี้เราจะไม่สบายใจเราจะวิตกกังวลแล้วก็เวลาตายไปเราก็ต้องไปรับผลบาปคือไปเกิดนอบาย ไปเกิดเป็นเดลฉานเป็นเปรตเป็นอ ส, สุรกายหรือเป็นสัตว์นรกคำถามจากคุณกรโงกวานการทํางานโดยการภาวนาดูลมหายใจไปด้วยเราควรตั้งจิตไว้กับที่ทํางานหรือที่ลมหายใจหรือทั้งสองอย่างดีคะเออเวลาทํางานก็ต้องอยู่ที่งานอย่าไปอยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวงานจะเละเทะเดี๋ยวจะทําให้ดูเรื่องทําผิดผิดถูกๆ เวลาทางานให้ไม่สติโยกอยู่กับการที่เราทําการดูลมหายใจนี้ไม่ควรดูในตอนที่เราทําอะไรต่างๆดูลมหายใจนี้เหมาะกับการที่เวลาเรานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเวลานั้นอ่ะควรจะดูลมหายใจเวลาอื่นก็ควรจะดูงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังกินก็ให้อยู่กับการกินกำลังดื่มก็ให้อยู่กับการดื่มกําลังล้างถ้วยล้างชามก็ให้อยู่กับการล้างถ้วยล้างชามไป อย่าไปอยู่กับลมไม่เหมาะกันลมนี้เหมาะเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิคำ ถ, ถามจากคุณพะชละนัททำไมบุญจากการทำสมาธิภาวนาถึงเป็นบุญสูงสุดคะก็มันสุขมากกว่าบุญไม่สูงสุดละ่ะบุญยังลองจับปัญญาอยู่บุญที่ได้จากสมาธินี่ยังสู้บุญที่ได้จากปัญญาไม่ได้คํามสุดท้ายจากทางบ้านของวันนี้นะคะ คำถามจากคูโก้การที่เราตะเวนไหวขอพอรพ้าตามวัดกับการที่ทําบุญด้วยการใส่บาตรได้บุญเหมือนกันหรือเปล่าครับ อ, อ๋อไม่เหมือนนะการไปตะเวนขอพอรนี้ไม่ได้พรเนาะถ้านอกจากไปฟังธรรมก็จะได้ได้ธรรมะแต่ถ้าไปกราบพระพุทธ ร, รูปก้าววัดแล้วก็ขอให้ได้นู่นให้ดีไม่ได้อะไรทักอย่าง ถ้าทำบุญถ้าเอาเงินใส่ตู้บริจาค ก, ก็จะได้บุญจากการทำทานเพราะฉนั้นจะทำบุญที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปเก้าวัดก็ได้ใส่บาทพระเก้าองค์ก็ได้ก็ได้ได้บุญเหมือนกันบุญมากบุญน้อยอยู่ที่เราใส่เนาะใส่มากใส่น้อยใส่น้อยก็บุญน้อยใส่มากก็บุญมากสําหรับเรื่องของทานถ้าไม่มีเงินใส่บาทไม่มีเงินทำบุญก็เอารักษาศีละ รักษาศีลได้ก็จะได้บุญมากกว่าการทำทานแล้วถ้าอังสมาธิได้ก็จะได้บุญมากกว่าการรักษาศีลบุญมันมีความมากน้อยต่างกันดังนั้นก็เลือกทาเอาทาทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้แต่อย่าไปขอขอไม่ได้บุญนี้ขอไม่ได้บุญต้องทำ